จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้เอาความรู้ที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติเพื่อพาให้ชีวิตไปสู่ที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญเพราะการกระทํำต่างๆของเรานี้เองที่เป็นเหตุ ที่ทำให้เราไปเป็นอะไรต่างๆเช่นไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรัจฉานอยู่ที่การกระทาของพวกเราการที่พวกเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่ามนุษย์การจะเป็นมนุษย์ได้ต้องมีศีลห้า ต้องไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดตดไม่เสบสุรายาเมาถ้าไม่สามารถรักษาศีลห้าไดา้ก็ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานนี่คือความแตกตา่างระหว่างมนุษย์กับเดราาัจฉานก็คือศีลห้านี่เอง ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นเดละฉานี้เขาไม่รู้จักศีลห้ากันเวลาเขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรเขาก็จะทำตามความอยากของเขาเขาอยากจะกินเขาก็ไปขโมยหรือไปฆ่าผู้อื่นเพื่อจะได้อาหารมารับประทานเขาอยากจะเสพกามเขาก็เสพกับ ตัวที่อยู่ใกล้เขาที่สุดเขาไม่สนใจว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกหรือไม่ของใครก็ตามเพราะเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะได้ส่วนมนุษย์นี้แตกต่างจากเดรัจฉานเพราะมนุษย์นี้มีสติปัญญาสามารถแยกแยะได้ว่า การกระทำอะไรเป็นการกระทำที่ไม่ดีเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เรารู้ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ใครมาฆ่าเรานั่นเองชีวิตของเรามีค่าอย่างไรชีวิตของผู้อื่นก็มีค่าอย่างนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของชีวิตของเราและของผู้อื่น เราก็รู้ว่าการฆ่านี้ไม่ดีเพราะว่าถ้าใครมาฆ่าเราหรือค่าคนที่เรารักเราก็จะต้องเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องไปตามล่างแค้นไปฆ่าคนที่เขามาฆ่าคนที่เรารักนี่คือสติปัญญาความสามารถแยกแยะเหตุผลได้ว่า เหตุนี้ไปแล้วจะทำให้เกิดผลอะไรตามมาแต่เดรัฉานี้เขาไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะเรื่องเหตุเรื่องผลได้เขาอยู่ในระดับที่ไม่มีความสามารถที่จะแยกแยะผิดถูกดีชั่วได้เขาจึงต้องไปเป็นเดรัฉานมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ถ้าไม่รักษาศีลห้าก็แสดงว่ากําลังลดฐานะของตนเองให้ลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานพอเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานทันทีเพราะไม่มีคุณสมบัติที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่ ก็ต้องไปใช้บาปกรรมที่ทำไว้ก่อนเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานจนบาปกรรมที่ได้ทำไว้นั้นหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่รู้จัก ร, รักษาคุณสมบัติของมนุษย์ไว้เช่นมาเปิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รักษาศีลห้ามาทำบาปใหม่ ตายไปก็ต้องกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานใหม่แต่ถ้ามารักษาศีลห้าได้ตายไปก็ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้เลยดังการที่เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้เราต้องมีสติปัญญาต้องรู้โทษรู้เหตุของการ ไปเกิดเป็นเดรัจฉานว่าเกิดจากอะไรถ้าเราไม่รู้เองเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เขารู้ถ้าเราได้มาเกิดในครอบครัวของคนที่มีศีลนิธรรมคนที่รู้จักบาบุญคุณโทษรู้จักผิดถูกดีชั่วถ้าเราได้มาเกิดในครอบครัวนั้น เราก็จะได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมจากบิดามารดาของพวกเราท่านจะสอนเราว่าอย่าทำบาปนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าไปเสพสุราอย่าเมาเพราะจะทำให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะความผิดถูดีชั่วได้นั่นเอง ถ้าเราได้มาเกิดในครอบครัวที่ดีก็จะเป็นบุญของเราเขาก็จะสอนเราไม่ให้ทำบาปแล้วถ้าเราเชื่อแล้วเราทำตามที่เขาสอนเราก็จะรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้ได้พอเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเราก็จะกลับเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วถ้าเรารักษาศีลไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยของเราไปแล้วพอเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะรักษาศีลอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะการรักษาศีล น, นี้จะปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้ตกไปสู่ในภูมิต่ำ คือภูมิของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกนี่คือเรื่องของเหตุที่จะทำให้เรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ตายไปก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกอยู่ที่ศีลห้านี้การที่เราจะมีศีลห้าได้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 ที่ท่านรู้ถึงผลที่จะเกิดจากการทำบาปว่าจะมีอะไรตามมาเพราะท่านมีสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมท่านสามารถมองเห็นจิตใจของพวกเราที่หลังจากร่างกายตายไปแล้วว่าจะไปที่ไหน เมื่อท่านรู้แล้วว่าถ้าทําบาปก็จะต้องไปอบายอบายก็คือที่ไปของผู้ทําบาสี่ชนิดด้วยกันคือหนึ่งถ้าทําบาลด้วยความไม่รู้ใช่นไม่รู้ว่าทําบาปแล้วเป็นบาปจะต้องไปรับผลของบาปถ้าทําด้วยความไม่รู้ก็ต้องไปเป็นเดราาัจฉานเพราะพวกเดรัจฉานนี้ เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบาปนั่นเองเช่นสุนัขเวลาเขาอยากจะกินอาหารถ้าไม่ไม่มีใครเอาอาหารมาเลี้ยงเขาเขาก็ต้องไปขโมยอาหารของผู้อื่นมาถ้าเราเผลอวางอาหารไว้ตรงไหนถ้าเราไม่ได้คอยเฝ้าเดี๋ยวสุนัข ก, ก็มาเอาไปรับประทานเพราะความหิว ความหิวจะทำให้เขาอยากได้อาหารแต่เนื่องจากเขาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้ว่าการขโมยอาหารมานี้เป็นบาปจะต้องไปใช้กรรมต่อไปจะมีผลตามมาพอเขาไปลักขโมยไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาไว้ซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่เขาไม่รู้ว่าการทำบาปด้วยความจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ตามก็จะมีผลบาปตามมาดังนั้นผู้ที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าจะต้องไปรับผลบาปก็จะ <c oughs> เวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะส่วนพวกที่ทำบาปเพราะความโลภทั้งทั้งที่รู้ว่าทำบาปแล้ว จะต้องไปใช้กรรมในบายแต่มีความโลภอยากได้มากๆพอไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีไม่ทําบาปก็ไปทําบาปพอไปทําบาปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทําบาปด้วยความโลภเช่นอยากได้อะไรมากมากอยากร่ําอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่ไม่สามารถ ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถหามาได้ก็เลยหามาโดยวิธีมิชอบเช่นพวกที่ทำคอร์รัปชันอย่างนี้มีเงินเดือ น, นกินก็อยู่ได้แล้วแต่โลภมากอยากจะใช้อยากจะมีเงินมากๆ ก, ก็เลยไปทำคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็คือรักทรัพย์นี่เอง ลักทรัพย์ของผู้มาเป็นของของตนถ้าทําบาปด้วยความโลภตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตเปรตนี้ก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยท่านวาดภาพของเปรตไว้มเป็นเหมือนคนที่มีท้องใหญ่เท่าตุ่มแต่าปากเท่ารูเข็มคิดดูก็แล้วกันว่าท้องใหญ่ขนาดตุ่ม แล้วปากเท่ารูเข็มนี่จะเอาอาหารเข้าไปให้เต็มท้องได้นี่มันก็ยากเข้าไปได้ก็ทีละนิดเทียหน่อยต้องดูดเข้าไปรูเข็มนี่ก็หลูเล็กนิดเดียวกว่าจะทําให้ท้องอิ่มได้นี่ก็ต้องใช้เวลามาซึ่งถ้าปากเท่ารูเข็มนี่ก็จะไม่มีความไม่มีวันที่จะทําให้ท้องนี้อิ่มได้ท้องก็จะหิวไปเรื่อยๆ นี่คือคุณสมบัติของเปรตคือจะโลภไปเรื่อยๆจะอยากไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอพวกที่มีความโลภมากต้องระวังไว้ให้ดีถ้าโลภแล้วไปทำบาปตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตแต่ถ้าโลภแล้วไม่ทำบาปก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตเช่นเราโลภแต่เรารักษาศีลหา้หาไว้ได้เราอยากได้เงินได้ทองเราก็ไปทำ โดยที่ไม่ไม่ต้องทำบาปเช่นไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปฆ่าผู้อ่เราก็ขยันทำมาหากินไม่ใช้เงินใช้ทองเก็บเงินเก็บทองไม่มีวันหยุดปีหนึ่งหยุดวันเดียวสองวันนอกอกนั้นเอาเวลามาทำงานหาเงินหาทองโลกแบบนี้ยังไม่เป็นภัยเพราะไม่ได้ทำบาป เมื่อไม่ได้ทําบาป<ม>ก็ไม่ต้องไปใช้บาปในบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาโลกใหม่ได้<ม>นี่คือความแตกต่างระหว่างการทาบาปด้วยความโลภหรือการไม่ทําบาปด้วยความโลภถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ต้องไปเป็นเปรตเป็นวิญญาณที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลา ต้องมาคอยรอรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญกันเนี่ยพวกเราเวลาที่พวกเราทำบุญนี้เราอุทิศบุญนี้เราอุทิศไปให้เปรตเพราะมีดวงวิญญาณชนิดนี้ชนิดเดียวที่หิวโหวยที่ต้องการบุญจากพวกเราเพราะเขาไม่สร้างบุญเขาไว้ในขณะที่เขาเป็นมนุษย์ขณะที่เป็นมนุษย์แทนที่จะมาทำบุญมารักษาศินกลับไปทาบาป พอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปมีแต่ความหิวมีแต่ความโลภความอยากติดตัวไปก็เลยต้องมาเป็นขอทานมาคอยรอรับส่วนบุญจากพวกเราที่กําลังทําบุญอยู่นี้นี่คือลักษณะของดวงวิญญาณที่เมื่อตายไปแล้วถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ส่วนพวกที่สามพวกที่ทาบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะยากจนก็เลยทำบาปกลัวว่าจะยากจนก็เลยต้องไปขโมยเงินขโมยทองขโมยข้าวขโมยของของตนมาเก็บของผู้อื่นมาเก็บเอาไวมา่มากๆทั้งๆ ท, ที่ของตนเองก็พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนแต่กลัวมันจะหมดก็เลยไปทําบาปเพื่อหาทรัพย์สมบัติข้าของเงินทอง มาให้เพิ่มมากขึ้นพวกนี้ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่าอสู ร, รากายหรือผีด้วยพวกวิ ญ, ญญาณพวกนี้จะมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่อง น, องนี้กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ <c oughs> แล้วเลยต้องไปทำบาปเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทาลายตนเช่นกลัวงู พอเห็นงูก็ตีงูตายถ้ากลัวอะไรแล้วพอเจอสิ่งนั้นก็ไปทำลายเขาถ้าทำอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นผีเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาส่วนพวกที่สี่พวกที่ทำบุญทำบาปด้วยความโกรธเกลเกียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเช่นเวลาใครมาทำ ให้เราโกรธมาแย่งสามีแย่งภรรยาของเราไปแย่งทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราไปเราก็ต้องการจะล้างแค้นเราก็ไปฆ่าเขาพอเราฆ่าเขาด้วยความโกรธตายไปก็ต้องไปตกนรกนรกก็คือสภาพของดวงวิญญาณที่มีแต่ความรุ่มร้อน เผาผานเป็นไฟนรกเผาผานจิตใจเผาผานดวงวิญญาณดวงนั้นเหมือนตกไปอยู่ในกรองไฟนี่นี่คือจิตใจของผู้ที่ทําบากด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทถ้าเราไม่อยากจะไปตกนรกเวลาที่เราเกิดความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนให้เราแผ่เมตตา สัพเพสัตตาอาเวลาหงตุจงอยากมีเวณมีกรรมกันเถิดก็คือเราอยากไปสร้างเวณสร้างกรรมเวลาใครเขาทำร้ายเราทำให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาวิธีที่จะระงับก็คือให้อภัยไม่จองเวณจองกรรมคิดว่ามันเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกัน เราคงไปทําอะไรให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเพราะอยู่ดีๆคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกันต้องไปทําอะไรให้เขาโกรธให้เขาเกลียดเช่นเดียวกับคนอื่นอยู่ดีๆถ้าเขาไม่มาทําให้เราโกรธให้เราเกลียดเราจะไม่โกรธไม่เกลียดเขาอย่างญาติโยมตอนเนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้โกรธเกลียดคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ ก, กันหรือเปล่าไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราโกรธ แต่ถ้าเกิดเขามาเอาของเราไปมาด่าเรามาว่าเราอย่างนี้แหละจะทำให้เขาโกรธให้เขาเกลียดเราได้ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปตกนรกเราก็ต้องให้อภัยเวลาที่ผู้เขาทำให้เราโกรธให้เราโมโหอย่าไปทาอย่าไปทำร้ายเขาเพื่อระบายความโกรธความเกลียดให้ระบายด้วยการให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรมกันแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนให้เขาเสียหายเพราะเวลาเราไปพูดไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเขาก็จะต้องโกรธเราเกลียดเราเช่นเดียวกับเราเวลาคนอื่นเขามาทำ อะไรให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องโกรธต้องเกลียดเขาดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะมีเวรมีกรรมกับใครเราก็ต้องอย่าไปทำบาปนั่นเองการไม่ทำบาปนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเราไม่ต้องการให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทําจากการพูดของเราเราต้องระมัดระวังเวลาเราพูดอะไรเราทําอะไร อย่าไปทําให้ผู้นั้นเขาเดือดร้อนเช่อนอย่าไปรักทรัพย์ของผู้นั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้นั<อ>้นอย่าไปโกหกหลอกลวงผู้นั้นเพราะถ้าเราทําอย่างนี้ถ้าเขารู้แล้วเขาเกิดความเสียหายเขาก็จะโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเราแล้วเขาก็จะมาจองเวรจองกรรมกับเราพอเขามาทําร้ายเรา เราก็จะไปโกรธไปเกลียดเขาแล้วจะไปทําร้ายเขาเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องมาฆ่ากันตายได้แล้วพอเราทําบาปแล้วตายไปเราก็ต้องไปตกนรกแต่ถ้าเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วเวลาผู้อื่นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็ไม่ตอบโต้ไม่รังแคลนเรายกโทษให้เขาไปให้อภัยเขาไป ถือว่าใช้หนี้กันไปเพราะเราคงต้องไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจเขาถึงต้องมาทำร้ายเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะดับไฟนรกที่มีอยู่ในใจของเราได้พอความเครียดแค้นหายไปความอยากที่จะไปทำร้ายทำบาปก็จะไม่มีคนเราเวลาจะทำบาปนี้มักจะเกิดเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมา หรือเวลาเกิดความโลภขึ้นมาหรือเวลาเกิดความหลงขึ้นมาถึงจะทำแต่ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมสบายอกสบายใจความโลภตอนนี้ก็ไม่มีความโกรธตอนนี้ก็ไม่มีความหลงตอนนี้ก็ไม่มีความคิดอยากจะไปทำบาปก็ไม่มีนี่แหละต้นเหตุของการไปทำบาปก็คือ ความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่อยากจะทำบาทต้องคอยควบคุมความโลภไว้อย่าไปโลภมากให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆตายไปก็เอาไปไม่ได้ทรัพสมบัติเท่าของเงินทองบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สามีภรรยาบุตรธดาเอาไปไม่ได้เลยไปแต่ตัวเปล่าๆถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้ว เวลาเกิดความโลภนี้มันจะหยุดถ้ามันจะต้องการอะไรมันก็จะต้องการสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ไม่เอามาดีกว่ายิ่งถ้าต้องไปทำบาปเพื่อไปเอามานี่ก็จะขาดทุนนี่คือวิธีที่จะช่วยให้เราลดความโลภได้คือให้เราเลึกถึงความตายบ้างอย่างน้อยวันละสองสาครั้งก็ยังดีเช้ากับวันเย็น เหมือนกับยาที่หมอให้รับประทานนี่คือยาวิเศษของพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายตอนตื่นขึ้นมาว่าวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้พอกินข้าวเช้าเสร็จก็ระลึกว่ากินข้าวอิกแล้วเดี๋ยวก็ตายก็ได้พอถึงอาหารกลางวันก็คิดเหมือนกันกินอาหารเสร็จก็กินยาของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอน จะตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้จะตายด้วยโยครคภัยไข้เจ็บก็ได้จะตายด้วยการถูกผู้อื่นเขามาฆ่าก็ได้ไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหร่ถ้าเราหมันคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าเอามาก็เอาไปไม่ได้เหนื่อยไปเปล่าๆถ้าจะเอาก็เอาสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นก็พอ แล้วถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธมันมาจากความโลภเวลาเราโลภอยากได้อะไรพอมีคนมาขัดขวางเราก็จะโกรธเขาทันทีเช่นเราอยากได้อะไรแล้วคนนั้นคนนี้มาห้ามไม่ให้เราทำเราก็จะโกรธคนนั้นคนนี้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้โลภอยากได้อะไรก็จะไม่โกรธใคร ดังนั้นความโกรธนี้เป็นมาจากความโลภและความโลภนี่ก็มาจากความหลงคือว่าลืมตายนั่นเองหรือว่าหามาแทบเป็นแทบตายตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าเราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะทำลายความหลงความหลงนี่จะคิดว่าจะหลอกให้เราคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตาย พวกเราเคยคิดหรือไมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสักวันเจะต้องตายกันไม่คิดเลยเวลาไม่คิดนี้ก็แสดงว่าหลงแล้วพอหลงแล้วก็จะเกิดความโลภเกิดความยึดติดกับสิ่งต่างๆอะไรมาได้ก็หวงตนดีขี้เหนียวไม่อยากให้ใครแต่ในที่สุดก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปเพราะเอาอะไรไปไม่ได้ เวลามาก็มาตัวเปล่าๆ เ, เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆไปกับความสุขหรือไปกับความทุกข์ถ้าไม่โรคไม่โกรธไม่หลงก็ไปอย่างสบายมีความสุขไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าโรคโกรธหลงก็จะไปแบบวุ่นวายใจไปแบบเศร้าโศกเสียใจไปแบบหวาดกลัว ถ้าไปแบบนั้นก็ต้องไปอวบายนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาศึกษากันเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วถ้าไม่อยากจะไปเกิดในาบายขอให้รักษาสี่ห้าไว้ให้ดีถ้าไม่อยากที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้ำอีกก็ตัดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการให้ลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเมื่อลึกถึงความตายแล้วความโลภมันจะเบาลงไปความโกรธก็จะไม่มีแล้วเมื่อเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็จะมีแต่ความสุขใจที่เป็นสุขนี่แหละคือใจที่จะไปสวรรค์ไปพระนิพานต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษา